อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็นํารายการธรรมาราบรุนกลับมาเปิดรายการเป็นรายการแรกของสถานีเหมือนเช่นเคยแล้วนะคะทุกๆเช้าตั้งแต่เวลาตีห้ถึง5ีห้ครึ่งคะ่ะเราก็จะเสนอรายการธรรมะที่จะให้แง่คิดธรรมะดีๆให้เป็นมงคลแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันนะคะเราพบกันในเช้าวนันนี้เป็นเช้า ว, วันอาทิตย์ ที่27พฤศจิกายนค่ะเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนกันแล้วนะคะวันนี้เป็นวันขึ้นสองค่ําเดือนหนึ่งอ่าเป็นวันอ่าปีมะโรงนะคะเราเริ่มกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่จะขึ้นปีมะโรงค์กันละปีนักษัตว์ใหม่นะคะสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านที่อ่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของนักษัตว์ต่างๆนี่ก็ให้ทราบกันไว้ว่าเราเป็นปีมะโรงแล้วนะคะไม่ใช่ปีเถาะแล้ว เราพบกันในเช้าวันนี้ดังนันอยากจะข อ, อนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะได้มาสนทนาธรรมะหรือว่าที่เรารู้จักกันดีว่าจะสักษากับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโเหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งท่านพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนนี้ท่านเป็นสิทธิเอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตโภาโส ค, ค่ะหรือท่านพระครูสิทธิประภากรซึ่งท่านก็เป็นเจ้าอาวาสผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตาแล้วก็ส่งศินอย่างมากนะคะของวัดป่าดอนหายโศก ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะก็ขอนำทั้งบุฟังทางบ้านนะคะมากราบน้ำพการพระอาจารย์ไปบุญอภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบน้ำสการเจ้าข่าพระอาจารย์เจ้าขา สาธุเจ้าค่ะสำหรับในเช้ า, าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนนี้นะเจ้าค่ะโยมอยากจะขอหยิบยกเรื่องที่กําลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราหรือว่าในาปัจจุบันนี้เจ้าค่ะก็โยมคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านาทั่วประเทศนะเจ้าค่ะที่ตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราทั้งในส่วนกลางแล้วก็ในส่วนต่างจังหวัดด้วยเนี่ยก็คงจะทราบกันดีว่าประเทศไทยเรา ก่อนหน้านี้เป็นเดือนนะเจ้าคะ่ะก็ประสบะเรียกว่าเป็นเรียกว่าอุทกภัย <Okay. S 2> หรือว่าน้ำท่วมกันนะคะพูดอย่างชาวบ้านเราก็คือครั้งประวัติศาสตร์เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมาเ hmm. จ้าคะ่ทะทนี้เนี่ยในส่วนของหลายๆจังหวัดที่ไล่ลงมาตั้งแต่ทางเหนือนครสวรรค์ไรแห้งแล้ว แต่ว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาก็จะมาอยู่ที่แถวกรุงเทพนะเจ้าคะกับทางใต้ของเราซึ่งกำลังเริ่มมีน้ำท่วมขึ้นมาบ้างละแต่ตอ น, นี้ในในเรื่องของทางส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเจ้าค่ะมันมีประเด็นที่โยมอยากจะขอความเมตตาห ย, ยิบยกขึ้นมาอสอบถามพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนนะคะนั่นก็คือเรื่องของการที่ะจะเห็นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทั่วประเทศ ซึ่งตามเราฟังรายการอยู่ในขณะนี้คงจะทราบกันดีว่าจะมีเรื่องของความขัดแยง้งความคุนข้องหมองใจอของพี่น้องประชาชนเจ้าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รอบๆก ร, รุงเทพมหานครอย่างเช่นทางแถวจังหวัดประทุมธานีนนท บ, บุรีอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยหรือว่าเป็นพวกที่อยู่เขาเรียกว่าอยู่หลังบิ๊กแบกหรือว่าถุงใหญ่เนี่ยเจ้าค่ะถุงทรายใหญ่เนี่ยก็คือจมน้ําอยู่นานมากเลยแล้วก็น้ําก็เริ่มเน่านะเจ้าค่ะส่งกลิ่นเหมน็น นั่นในขณะที่รัฐบาลเองหรือว่าพวกเราเองก็ทราบดีนะเจ้าค่ะว่าเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องรักษาเมืองกรุงเทพชั้นในไว้เพราะว่านั่นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจเรียกว่าเป็นจุดหัวใจของประเทศเราและถ้าเปือปล่อยให้ทั่วหมดนี่คงจะไม่มีใครที่ว่าจะไปช่วยเหลือกันได้อันนั้นก็เป็นเหตุผลอันนึงนะเจ้าค่ะแต่ทีนี้สิ่งที่โยมอยากจะขอหยิบยกขึ้นมากราบถามพระอาจารย์ไปบุญอภิปุโนโก็คือในประเด็นที่ว่า สำหรับคนที่โมโหแล้วก็ออกมาต่อต้านนะเจ้าคะ่ะตอนนี้ก็อาจจะมีการชุมนุมเรียกร้องอะไรต่างๆเนี่ยยมคิดว่าจะไปโทษทางผู้ที่มาเรียกร้องอะไรชุมนุมทั้งหมดคงไม่ได้เพราะว่าทนอยู่นานเจ้าคะ่ะน้ำท่วมบางทีถึงอกถึงถึ ง, ถงอาคางบางทบางีบางแห่งยังมิดสิษะอยู่นะเจ้าค่ะแล้วน้าเน่าด้วยเป็นเดือนเดือ น, เ ด, อนเดือนกว่าจะสองเดือนแล้ว ความทุกยากเหล่านี้ต้องมีอยู่ในใจแล้วก็ทําให้เกิดความโมโหอะไรต่างๆนะเจ้าคะไม่สามารถวางจิตให้สงบได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอ่ะก็มีความจําเป็นในฝ่ายของบ้านเมืองเองก็จําเป็นว่าจะต้องทําอย่างนี้เพื่อเพื่อเห็นแก่ส่วนรวมนะเจ้าค่ะในประเด็นนี้เนี่ยพระอาจารย์จะเมตตาให้ธรรมะทั้งในฝ่ายของคนที่จะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่นานกับทางฝ่ายของบ้านเมืองเรายัางไงดีเจ้าค้านิมนต์เจ้าคะ่ะใช่คุณพานอันนี้ก็ เป็นปัญหาที่เราเห็นกันอยู่แต่ว่าคือคือพูดถึงคนที่ถูกน้ําท่วมก่อนถ <Okay. S 1> พูดถึงคนที่ถูกน้ําท่วมมาเป็นเดือนๆแล้วเนี่ยแล้วก็ระดับน้ําก็ไม่ลดลงก็ามาเฮโร่ก็จะมาทํำลายถุงใช่ไหม <Okay. S 1> ถุงที่เขากั้นระดับน้ําเอาไว้ทําให้เกิดเป็นเรื่องบันดาวแล้วก็ป ร, กรากฏว่าพวกที่ท่วมอยู่เนี่ยที่อยู่หลังถุงใหญ่เนี่ยบิ๊กแบกเนี่ยก็เริ่มทําความสะอาดกันละพอเมื่อไรเนี่ยเกิดมาว่าอย่างนี้นะอย่างคนที่เขาถูกน้ําท่วมเนี่ย เขาถูกท่วมอยู่สัก 2- องสัปดาห์เนี่ยเขจะปรับตัวได้แหละในการใช้ชีวิตอะไรต่างๆนะแล้วก็ในขณะที่ไอคนอื่นมันท่วมอยู่แค่5วันสิวันเนี่ยปรากฏว่าน้ําเขาลดพอน้ำเขาลดเนี่ยเขาก็มาประกาศกันว่าเอ้ยใช้โยน้ําลดแล้วน้ําลดแล้วก็มาทําความสะอาดอะไรกันใช่ไหมที่ว่ า, ามีอะไรอะวันบิ๊กคลีนนิ่งเดย์อะไรต่างๆตามสถานที่ต่างๆนะเจ้าค่ะปรากฏว่าไอพวกที่ถูกน้ําท่วมมาเป็นเดือนเนี่ยก็เลยเริ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เ่มเครียดละว่าไอทําไมของฉันไม่ลดสักที คุณตั้งใจลองสังเกตดูนะอย่างเวลาตอนที่น้ําท่วมสองสัปดาสามสัปดาห์การ น, น้ําท่วมสมสัปดาห์เนี่ยถ้าเราอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคือถ้าคุณอยู่สามสัปดาห์ได้คุณจะอยู่เป็นเดือนคุณอยู่ได้นะแต่มันดันมีข่าวว่าคนอื่นเขาลดแล้วคนอื่นลดแล้วแล้วฉันยังไม่ลดเนี่ยความทุกข์มันเลยเพิ่มทั้งๆ ท, ที่ระดับน้ําเท่าเดิมนะที่เราเคยพูดไปประเด็นในในรายการตอนก่อนๆนะนะว่าความทุกข์เนี่ยไม่ได้แปรผันตามระดับน้ํา นะั่นคือน้ำสูงหรือไม่สูงเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกว่าเราจะทุกข์มากหรือทุกข์น้อยนะอย่างคนในกรุงเทพชั้นในเนี่ยตอนที่ข่าวมันฮือฮาฮือฮากันเนี่ยระดับน้ํายังไม่ขึ้นเลยแม้แต่ไม่กี่เซนก็ตาม ย, ยังแห้งสนิทอยู่แต่ความทุกข์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะั่นในขณะที่คนอื่นเขาท่วมเป็น2อสาสัปดาห์เดือนหนึ่งแล้วนะเขาท่วมมิดหัวบ้างเขาใช้ชีวิตกันอยู่ปรับตัวได้และ้นะความทุกข์เขาก็ไม่มีแต่ความทุกข์เขากลับมาเพิ่มขึ้นอีกตอนที่ได้ข่าวว่าคนนอืมัแแห้งแ้งลว ที่มันท่วมอยู่บางส่วนมันแห้งแล้วทางเหนือของฉันก็แห้งแล้วทางใต้ของฉันที่มันท่วมนิดนิหน่อยหน่อยมันก็แห้งแล้วเอ้าทำไมฉันยังท่วมอยู่ความทุกข์ก็เลยพุ่งขึ้นเลยจุคาอ่นี่แหละเราพบว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องแปรผันนะมันเปลี่ยนแปลงได้นะทั้งนี้ระดับน้ําก็เท่าเดิมเอ่อแตมาต้องต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าต้องให้เข้าใจธรรมชาติของความทุกข์ก่อนนะนะจุคาธรรมชาติของความทุกข์จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเหตุของความทุกข์คือตัณหามันเปลี่ยนแปปลงไ นะคือตัณหาเราเราก็อยากแห้งบ้างน ะ, ะฉันก็อยากแห้งมางนะฉันเปียกมาตั้งนานแล้วเนี่ยแล้วแล้วทำไมคนอื่นแห้งแล้วทาไมฉันยังไม่แห้งอ๋อมันเพราะไอ้เจ้านี่เองไปแก้ซะมันก็เลยมีเรื่องกันขึ้นมาทีนี้เราต้องเข้าใจว่าความทุกข์เนี่ยเกิดมาจากความอยากนะมันอยากมันจึงมีความทุกข์ตรงนี้ทีนี้นี่คือส่วนของคนที่เขามีความทุกข์อยู่ทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ต้องรับผิดชอบแก้ปัญหา ก็ต้องแก้ปัญหาเป็นส่วนๆต้องทําให้เร็วต้องคอยช่วยเหลือกันอย่าให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันการประสานงานทําให้ดีแลนะ้ถ้าคุณทําหน้าที่ของคุณอย่างถูกต้องในส่วนของผู้ที่เป็นผู้ปกครองในส่วนการเมืองเนี่ยก็จะค่อยแก้ไปได้ในผู้ที่โดนความทุกข์อยู่เนี่ยจะมาต้องการให้เปรียบเทียบอย่างนี้ถ้าลองเปรียบเทียบกับคนสมัยโบราณในบ้านเมืองของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาใช่ไหม คนสมัยโบราณเนี่ยเขาก็ต้องมีน้ําท่วมอยู่แหละตั้งแต่สมัยอยุธยามาัแล้วนะที่ว่ามีการยกบ้านเรือนให้สูงมีน้ําท่วมก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมเขาก็ยังอยู่กันได้นะหรือว่าคนชาวประมงนะที่ต้องเจอกับคลื่นลมที่พัดเข้าฝั่งนะเขาก็ออกแบบบ้านหรือวิถีชีวิตของเขาเนี่ยให้ปรับปรุงกันไปได้อย่างชาวเอสกิโมนะอยู่ในสถานที่ที่โอ้โหทุรกันดารมากนะมีความหนาวเหน็บตลอดทั้งปี เขาก็ปรับชีวิตของเขาให้เขาอยู่กันไปได้นะหรือว่าอย่างชาวแอฟริกาที่เขามีข้าวกินอาทิตย์หนึงกินแค่2ครั้งนะอดอยากหิวโหยเขาก็ยังอยู่กันได้นะเขาก็มีความทุกข์แหละแต่เขาก็ยังอยู่กันได้นะอดทนกันไปได้ทีนี้ว่าประเด็นความทุกข์ของเราที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันเห็นคนอื่นมันหายแล้วนะเราจึงทุกข์มากขึ้นอารมณจะต้องบอกอย่างนี้ว่ายังไงเราต้องรักษาจิตของเราไม่ให้มีสิ่งที่เป็นอกุศลนะปัญหาบ้านเมืองเราต้องแก้ นะแก้โดยระเบียบระบบของความที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะถ้าเราอย่างการปาประท้วงอย่างเงี้ยก็ต้องรวมตัวให้เขาเห็นพลังอาจจะทำไดนะ้ว่าเราเรียกร้องในความปัญหาที่เรามีทำได้แต่ก็ทำอยู่ในกรอบของศีลในธรรมนะไม่ด่า ก, กันไม่ว่า ก, กันชี้แจงเหตุผลอะไรถูกอะไรผิดก็พูดกันไปนะส่วนที่แก้ปัญหาคุณจะต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุดถ้าคุณไม่มีความสามารถคุณก็ออกไปซะให้คนอื่นที่เขามีความสามารถมาทำนะถึงจะถูก เพราะว่าไอ้เรื่องตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่รีบต่วนเหมือนกันนะนะให้เขาไปอยู่นานๆมันก็ไม่ถูกแล้วคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบนะแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องก็จะเป็นการดีในประเด็นตรงนี้เนาะเจ้าค่ะทีนีถ้ถ้าพูดถึงแง่ของเขาเรียกว่ามีกุศลนะเจ้าค่ะเพราะว่าอย่างอย่างเช่นว่า คนที่อตอนนี้เนี่ยยมคิดว่าส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนชาวไทยเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในเขตที่ว่าเป็นรอบนอกของกรุงเทพมหานครที่ว่าโดนน้าท่วมหนักแล้วก็น้ําเริ่มเน่าเสียแล้วเนี่ยยมคิดว่าเขาแต่แรกเนี่ยจิตใจต้องดีแน่นอนเจ้าค่ะเพราะว่าคิดว่าเสียสละให้ทุกคนเข้าใจประเด็นดีนะเจ้าค่ะว่าเสียสละให้กรุงเทพชั้นในซึ่งเป็นหัวใจของประเทศเนี่ยไม่ท่วม แต่ว่าเขายอมท่วมแหละแต่บางทีถ้านานเกินไปแล้วก็อาจจะเกิดความทุกข์สะสมว่าอ๋อเพราะว่าตรงนั้นแห้งเรายังต้องทนไปอีกอไม่รู้นานเท่าไหร่อย่างนี้เจ้าค่ะมันเหมือนแบบมองไม่เห็นอนาคตก็เลยทำให้เกิดโทสะโมหะขึ้นมามตรงนี้เจ้าค่ะตอนนี้โยมก็อยากจะขอกราบน้ำระสการา์่ะว่าจะให้หลักธรรมอย่างไรที่จะให้อ บุคคลต่างๆเหล่านั้นที่ทนทุกข์นะเจ้าคะแล้วก็ทําเพื่อส่วนรวมเรียกว่าเห็นแก่ส่วนรวมเนี่ย mm hmm. มีจิตใจที่เรียกว่าออยอมรับแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองเสียสละนั้ น, นเป็นกุศลในขณะเดียวกัน mm hmm. นะเจ้าคะสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องเห็นอกเห็นใจมีเมตตาเหมือนกันว่าจะต้องรีบแก้ไขให้เขาได้มีความสุขหรือว่ากลับมาเป็นปกติสุขเนี่ย โดยเร็วที่สุดซึ่งอันนี้<ช>ก็ต้องถือธรรมะเช่นเดียวกันใช่ไหมเจ้าค<ช>่ะถึงจะเกิดความยุติธรรมขึ้นตรงจุดเนี้เจ้าค่ะตรงนี้เป็นประเด็นที่ดีมากเลยคุณเนใจถ้าพูดถึงการอุปการะผู้อื่นก่อนใช่ไหม ใ, <ช>ในเรื่องนี้คนที่ถูกยอมน้ำท่วมเนี่ยถูกยอมน้ำท่วมแสดงว่าเราอุปการะผู้อื่นนะในในัยนี้นี่คืออะไรคือเราอุปการะเรื่องที่อยู่อาศัยทําให้เขามีที่อยู่อาศัยนะอย่างพระพุทธเจ้าเคยบอกเนี่ยสมมติเราให้อาหารมื้อหนึง่งคุณอยู่ได้แค่วันเดียว หรือแค่2อสมวันให้เสื้อผ้าอยู่ได้ปี2ปีให้ที่อยู่อาศัยนี่อยู่ได้เป็นหลายๆปีนานกว่า น, นั้นอีกเพรฉะนั้นพระเจ้าจึงไล่ลําดับของบุญที่จะเกิดขึ้นเนสมมุติคุณใส่อาหารบุญที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเปรียบเทียบไล่มาตั้งแต่อาหารบินทบาทเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคแล้วสูงสุดเนี่ยคือที่อยู่อาศัยแะบุญที่เกิดจากที่อยู่อาศัยตรงนี้เราฉะนั้นถ้าจะมาสงเคราะห์ให้เข้ากันตรงนี้เนี่ยคนที่ถูกยอมโดนน้าท่วม นะเพื่อให้คนอื่นแห้งอยู่เนี่ยคุณได้บุญอ น, นิสงส์ตรงที่ว่าคุณให้ที่อยู่อาศัยคนอื่นเขานะจะได้บุญมากที่สุดในเรื่องของการให้ประการที่สองคนที่ได้รับอุปการะอยู่คือคนที่น้ำไม่ท่วมนะคุณต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณเขาอย่างน้อยรู้คุณนะรู้คุณในที่นี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าอย่างเราเคยเห็นนะนะที่เขาเอาถุงยางชีพไปแจกไม่สนใจทิ้งไม่รับบ้างแรงต่านี่คือไม่รู้คุณ เราควรจะต้องเป็นผู้กตันยุกระตะเวทีคือรู้คุณแล้วก็ตอบแทน้นะตอบแทนยังไงอย่างที่เราเห็นอยู่ในประเทศตอนนี้เนาะมีการไปช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ในน้ําท่วมจากโซนที่แห้งในะบริเวณที่แห้งเนี่ยลาลมสับเบียงไปช่วยเหลือไปทั้งจัดหนักจัดเบาไปนะเพื่อที่ให้คนที่อย่างท่วมอยู่เนี่ยเขาเป็นคนเสียสละเนี่ยได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยเป็นการตอบแทนจะมีการเกิดคุณกันตรงนี้เจอันดับที่สคือเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่คุณยังไงก็ต้องรีบแก้ไข น, นี้เป็นหน้าที่ของคุณอแล้วก็เพราะฉนั้นถ้าเราทําความเข้าใจตรงนี้ได้นะทั้งสามฝ่ายทั้งคนที่อุปการะคนอื่นก่อนทั้งคนที่ได้รับการอุปการะและทั้งเจ้าหน้าที่ที่แก้ปัญหานะสามฝ่ายเนี่ยมันจะหนุนซึ่งกันและกันนะคุณเดืนใจเหมือนเก้าอี้สาขาตั้งอยู่ได้จุ๊ค่ะไม่ใช่ว่าให้รัฐบาลทําอย่างเดียวเคนที่น้ําแห้งอยู่คุณช่วยด้วยนะทำความเข้าใจคือคนที่เขาเป็นทุกเนี่ยนะคุณเดือนใจถ้าเขาได้รับการเห็นอกเห็นใจเนี่ยเขาก็จะมีกําลังใจขึ้นมาอ ในกรณีนี้คือเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอาจจะไปแก้ปัญหาเรื่องของการเคลื่อนย้ายมวล น, น้ำํำนะคนที่แห้งอยู่คุณไปจัดการเรื่องปากท้องนะอุปโภคบริโภคให้เรียบร้อยช่วยกันมันจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้นะแต่เราก็ถ้าอย่างกรณีที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นคูณไปทําลายบิ๊กแบกใช่ไหมหรือเครื่องขวางน้ำเนี่ยมันจะแยกกันหมดนะเจ้าหน้าที่ก็ทํางานไม่สะดวก้พวกที่จะเป็นคอยตอบแทนเขาก็ทํางานไม่ได้ท่วมไปแล้วกลายเป็น เป็นผู้ผู้ประสบภัยนะพวกที่ท่วมอยู่นะ้าก็ลดลงหน่อยเดียวเท่านั้นเองก็ไม่ได้ช่วยอะไรกันขึ้นมามากเพราะฉะนั้นถ้าเราทําความเข้าใจให้กับทุกๆภาคส่วนอย่างนี้นะอันนี้จะไปได้ก็คือใช้หลักธรรมะในการปกครองนั่นเองเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยนะเป็นใช้หลักธรรมะในการปกครองในการบริหารงานบ้านเมืองถึงจะถูกต้องชัวรค่ะก็เรียกว่าให้ความยุติธรรมกันะใช่ไหมใช่คะกับทุกๆฝ่ายแล้วก็ช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยที่คิดยึดถึงหลักขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเจ้าคะที่ว่าคนเรานั้นเนี่ยอย่างที่พระอาจารย์พูดเมื่อวานนี้นะเจ้าคะคือเมื่อเช้าวันเสาร์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของทิศต่างๆมยมเลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์นำเรื่องของทิศมาย้ําอีกนิดนึงเจ้าคะ่ะว่าข้างหน้าเราเป็นใครข้างล่างหมายถึงผู้ใตบ้บังคับบัญชาข้างบนขึ้นไปอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะอาจจะทําให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ได้ง่คิดตรงนี้ด้วยเจ้าคะ่ะเรื่องของทิศ6 คือเราต oh <Ay> ้องเข้าใจก่อนว่าชีวิตเราคือก็คือชีวิตเรานะเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับใครเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามีอยู่หทิศทางการที่อยู่ในวงรอบตรงนี้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทํำคืออันดับแรกเนี่ยพูดถึงหน้าที่ของมารดาบิดาคือทิศเบื้องหน้าเรื่องของทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามารดาบิดาเนี่ยเราจะต้องมารดาบิดามีหน้าที่ต่อลูกเนี่ยนะก็คือว่าคอยอนุเคราะห์บุตร ห้ามเขาเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปะวิทยาให้มีเนื้อคู่ตามที่สมควรแล้วก็มอบบรมกให้นี้มีห้าอย่างลูกต้องปฏิบัติตัวยังไงต่อพ่อแม่อันนี้ทั้งคนที่ถูกน้ําท่วมอยู่คนที่ไม่ถูกน้ําท่วมเนี่ยถึงแม้ว่ายังไงเกิดขึ้นเราก็ต้องทําหน้าทีน่นี้บริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้อง เ, ออเราเป็นลูกเราต้องเลี้ยงท่านตอบในะเมื่อท่านแก่แล้วทํากิจการงานของท่านํารงวงศุลให้ดี ประพฤติตนเป็นทายาทที่ถูกประพฤติตนเป็นทายาทที่ถูกแล้วก็เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทําทักษิณาทานคือทาบุญอุทิศให้ท่านนั่นนี่คือระหว่างมารดาพิดากับลูกกับบุตรส่วนทิศเบื้องขวาคืออาจารย์ครูบาอาจารย์ของเรานะเราจะต้องคอยเข้าไปยืนลุกรับใช้นเะชื่อฟังอย่างดีปรนนิบัติศึกษาศิลปวิทยานะพวกนี้เป็นหน้าที่ของเราต่อครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ ปฏิบัติต่อเรานะด้วยการส่งเคราะห์อย่างดนะีด้วยการแนะนําให้ดีด้วยการบอกศิละปะวิทยาโดยสิ้นเชิงแล้วก็ทําให้รู้จักในหมู่มิสฉยทั้งหลายแล้วก็ทําการคุ้มครองให้ไหนที่ตั้งปวกอย่างเวลาที่ครูบาอาจารย์สอนหนังสืออย่างเงี้ยก็สอนหมดทุกอย่างนะแนะนําในหมู่พุ่นฝูงอย่างนักเรียนคนไหนดีเราก็แนะนําให้เพื่อนที่เป็นอาจารย์ด้วยกันทราบนะเขาก็จะได้ภูมิใจบ้างอะไรบ้างคุค่ะ ประการต่อไปคือทิศเบื้องหลังคือบุตรภรรยานะสามีภรรยากับบุตรเนี่ยสามีกับภรรยาเนี่ยควรจะดูแลกันอย่างไรอย่างที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อวันก่อนนึงก็คือว่าสามีเนี่ยต้องยอกย่องภรรยาแล้วก็ไม่ดูหมิ่นเขานะสามก็อย่าประพฤตินอกใจแล้วก็มอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้แล้วก็ให้เครื่องประดับแล้วบางคนนะคุณเตือนใจจะมาเคย ได้ยินสามีบางคนเนี่ยแต่งงานกันมายี่สิบปีแล้วมันจะลูกโตทํางานแล้วนะ่ะไม่เคยซื้อเครื่องประดับให้ภรรยาเลยอันที่แหวนแต่งงานก็คืออันแรกแล้วก็อันสุดท้าย <c oughs> าก็แต่ได้มา <c oughs> อันนี้ <c oughs> ไม่น่ารักเลยไม่ถูกอ่ <c oughs> ไม่ถูกคุณต้อง <c oughs> ให้อยู่เรื่อยๆเจ้ <c oughs> าค่ะภรรยานะเราควรจะปฏิบัติด้วยการที่ไม่นอกใจละอันนี้อันที่หนึ่งแล้วก็จัดแกงการงานอย่างดีเราต้องช่วยสงเคราะห์คนข้างเคียงด้วยแนะแล้วก็รักษาทรัพย์ที่มีอยู่ ก็ขันขยันขันแข่งในหน้าที่ทั้งปวงช่วยกันอย่างนี้นะเราจะไม่มีภัยเกิดขึ้นในวงรอบตัวของเรานะส่วนเดือนซ้ายคืออะไรคือเพื่อนไงเพื่อนมิตรสหายนะอมานนะอมานี่ว่าเพื่อนมิตรสหายนะส่วนชันที่คอยดูแลซึ่งกันและกันนะด้วยการพูดจาไพเราะด้วยการแบ่งปันอย่างคนที่น้ำท่วมอยู่เนี่ยมีการแบ่งปันซึ่งกันและกันใช่ พูดจาดีๆกันประพฤติประโยชน์เพื่อประโยชน์กันวางตนเสมอกันในหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ไม่กล่าวคําที่เป็นเครื่องให้แตกกันนะซึ่งจะทําให้เราอยู่ด้วยกันได้ในสังคมที่ถูกน้ําท่วมด้วยไม่ถูกน้ําท่วมด้วย <Okay. S 1> นะแล้วก็ประเด็นถัดไปคือถ้าเพื่อนเนี่ยเราประพฤติกันอย่างนี้แล้วนะเราควรจะต้องตอบแทนเขาด้วยนะว่าถ้าเขาประมาทเราต้องเตือนเขานะบางคนประมาทแล้วเนี่ยทรัพย์สินเสียหายเราก็ต้องช่วยกันรักษา แล้วก็ไม่ทอดทิ้งในยามที่มีอันตรายแล้วก็เป็นที่พึ่งเมื่อมีภยัยแล้วก็นับถือสมาชิกในวงของมิตรอย่างบางคนจะมาเห็นเนี่ยพวกที่ถูกน้ําท่วมอยู่เนี่ยก็มาอาศัยเพื่อนอยู่ใ น, ในบริเวณชั้นในที่ก็ไม่ถูกน้ําท่วมก็แสดงว่าเป็นที่พึ่งเมื่อมีภยัยเวลาที่เขาน้ําลดแล้วเราก็ไปช่วยกันทําความสะอาดอย่างนี้นะก็เป็นที่พึ่งไม่ทอดทิ้งในายามมีอันตรายอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีส่วนต่อไปเรื่องต่ำนี่คือทา้าทกรรมก่อนพวกลูกน้องลูกจ้าง เราต้องให้เขาทำงานตามกำลังให้อาหารและรางวัลแล้วก็รักษาพยาบาลยามเจ็บไข้แบ่งของมีรถประหลาดให้แล้วก็ให้ปล่อยอิสระตามสมัยบ้างส่วนลูกน้องต้องปฏิบัติต่อเจ้านายโดยการที่เป็นลุกขึ้นทำงานก่อนนายเลิกงานที่หลังนายอันนี้เป็นสำนวนในภาษาบาลล้านลีก็คือว่าขยันทำงานอย่างดีอะไรแล้วก็ไม่ขโมยทรัพย์สินสมบัติทำการงานให้ดีนำเกียรติคุณของนายไปร่ำลือ ส่วนถ้ามีพระสงฆ์องค์กษัตริยอยู่ในที่นั้นก็เป็นทิศเบื้องสูงมัยทิศเบื้องบนเราก็ปฏิบัติด้วยการที่มีเมตตากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมนะยินดีต้อนรับท่านเมื่อท่านมาที่บ้านแล้วก็คอยถวายอมิสทานตามเหตุตามปัจจัยแล้วสมณะเนี่ยเราต้องอนุเคราะห์คนทั้งหลายด้วยการที่ให้ตั้งอยู่ในความดีนะห้ามเสียจากบาปอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามแล้วก็ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจม่มแจ้ง สุดท้ายก็คือบอกทางสวรรค์ให้อันนี้อาตมาก็ว่าอาตมาทำหน้าที่ของเรานะคือให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งนะเจ้าค่ะแล้วก็บอกทางสวรรค์ด้วยนะเจ้าค่ะก็คือจะต้องให้ให้ทำจิตใจให้สงบนะเจ้าค่ะ ม, มีมีศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ประพฤติตัวอยู่ในเรียกว่ามีอ่าอยู่ในพระธรรมคําสอนขอ ง, ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเจ้าค่ะซึ่งโยมคิดว่าแม้แต่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิโตภาโสหรือแม้แต่พระอาจารย์ไัยบุญเอภิพปุณโญก็เคยก็เคยพูดที่โยมจําได้นะเจ้าคะว่าคนเราเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่ใช่บวชเป็นพระนะเจ้าคะแต่ถ้าเราประพฤติดีประพฤติชอบถูกต้องทําจิตใจให้ดีนี่เราก็มีโอกาสเป็นนิพพานได้ถึงนิพพานได้ใช่ไหมเจ้าคะโอ้แน่นอนเลยคุณเตือนใจคือการเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ว่าเพศชายเพศหญิงฆราวาสอะไรหรือว่าพระสงฆ์พระสงฆ์ที่ยังห่าง ห่างจากนิพพานห่างจากความเป็นเลียงบุคคลก็มีคารว่าที่บรรลุนิพพานเป็นพาาาระอรหันต์ก็มีในสมัยพุทธกาลนะเราก็เป็นเครื่องยืนยันได้อเจ้าค่ะ ท, ทีนี้ประเด็นตรงนี้ที่อาตมาจะพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่จมน้ําอยู่คือจะสรุปตรงนี้นะเจ้าะว่าเราให้มั่นใจในเรื่องที่ทั้งหกนะให้มั่นใจในเรื่องที่ทั้งหกเรารักษาทิศของเราอย่างเงี้ยเราจะเป็นผู้ไม่มีภยัยนะแล้วอการที่บางที มีความทุกข์เกิดขึ้นบ้างเนี่ยไอความทุกข์พวกนี้มันเป็นความทุกข์ที่สัมผัสนะถ้าเราต่างกับคนอื่นมากเราจะมีความทุกขนะ์เราเราเห็นคนที่เขาแห้งแล้วเนี่ยเราจึงทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าเราอยู่กันมาได้เป็นเดือนแล้วเนี่ยถ้าคนอยู่มาได้เป็นเดือนเนี่ยมันมันอยู่ได้คือมันอยู่ได้ไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะให้คุณอยู่ไปเรื่อยๆนะเราจะแก้ไขนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณถูกทอดทิ้งนะคนที่เขาน้ำแห้งเราต้องระดมกันไปช่วยเหลือเรื่องอาหารการกินปากท้องใหญ่ขาด คนที่มีหน้าที่ในการเอาน้ำออกคุณต้องเอาออกแล้วเราทำอะไรเรารักษาทิศ ต, ตั้งหกของเราทิศเหล่านั้นเนี่ยจะไม่มีภัยเกิดขึ้นนะอันนี้เป็นทางมาแห่งบุญนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นบาปกรรมไม่เป็นกิเลสเรารักษาจิตของเราอย่างนี้เนี่ยนะจะทำให้คนรอบข้างทั้งหมดเนี่ยเป็นสุขอย่างน้อยครอบครัวเราเป็นสุขคนรอบตัวเราเป็นสุขเจข้าค่ะยมคิดว่าในการที่ประเทศไทยเราเนเะจ้าค่ะแล้วก็ คนไทยเราที่เขาว่าประมาณเกือบสอ ง, สองล้านครอบครัวที่ได้ประสบอุทกภัยครั้งประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเจ้าค่ะ <S <S มีสิ่งหนึ่งที่ดีมากๆที่เกิดขึ้นมาในาชาติบ้านเมืองของเราในขณะ น, นี้นั่นก็คือการที่มีคําอย่างที่เราได้ยินกันในสื่อต่างๆนัเจ้าค่ะว่าคนไทยไม่ทิ้งกันเจ้าค่ะ <S <S 2> <S 2> คือเราเนี่ยได้อยอมดอูข่าวนะเจ้าค่ะก็จะเห็นว่า หลายคนก็จะรู้สึกชื่นใจว่าไม่เคยคุยกันเลยอย่างโดยเฉพาะคนในกรุงเทพนะเจ้าค่ะอยู่บ้านติดกันก็ไม่คุยกันไม่สังสรรค์ไม่อะไรกันนะเจ้าคะ่ะ<ม>แต่พอถึงยามยากเนี่ยเกิดสิ่งที่ดีเหลือเกินต่อประเทศชาติขึ้นเนี่ยเจ้าคะ่ะทำให้เกิดความรักความสามัคคีเห็นอกเห็นใจการเครือกูลกันโดยเหมือนกับทำทิศทั้งหลายอะไรอย่างที่พระอาจารย์พยูนว่าเจ้า <นะ S 2> คะ่คะ ซึ่งอันนี้เนี่ยโยมอยากจะขอให้พระอาจารย์ไพบุญอภิปุ โ, โนได้เรียนย้ำท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกนิดจะเจอค่ะว่าประเด็นนี้เนี่ยควรจะคงอยู่ในชาติบ้านเมืองเราต่อไปแล้วมันจะเกิดมงคลอย่างไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะอันนี้ที่เราเคยพูดในรายการว่าเหมือนเป็นเป็นนาฬิกาปลุกให้เราทําความดีใช่ไหมาาให้เรารักษาทิศหน้าที่ของเราจนกระทั่งน้ําท่วมเนี่ยคุณผึงจึงจะรู้ว่าเออเราต้องมาปฏิบัติกับเพื่อนบ้านยังไง นะหรือว่าคนที่เรารู้จักยังไงเพราะฉะนั้นอย่าให้เหตุการณ์นี้เนี่ยมนกลายเป็นเครื่องให้เราทำํำบาปอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะหรือว่าไอ้คุณธรรมอะไใดๆที่เกิดจากเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยให้มันคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆอย่าเป็นผู้ประมาทอีกเพราะฉะนั้นพอเในเวลาเรารักษาจิตของเราให้ได้อย่างนี้เนี่ยเราจะเป็นผู้ที่ประกบประสบกับความสุขรักษาจิตตรงนี้ก็ไม่ยากนะแค่เรามีสตินะเราลึกถึงสิ่งที่ดีๆทําสิ่งที่ดีๆเราก็จะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้ แล้วคนที่เขาทําได้อยู่ได้เนี่ยมันมีนะเราให้มีกําลังใจให้มีความมั่นใจในคําสอองพระเจ้าใหม้มั่นใจในความดีในตัวเองนะเราทําได้ทำไมเราจะทำไม่ไดนะ้เราเคยผ่านวิกฤตที่หนักๆมาแล้วครั้งนี้เราก็ผ่านได้เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้หนักกว่าเมื่อเดือนที่แล้วสักเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่าเราต้องคอยอดทนนะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้โชค่ะแล้วทุกฝ่ายก็ต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองที่จะช่วยกันแก้ไข แล้วก็นําความ เ, าเรียกว่าสงบสุขสันติ<ช>สุขมาให้เหมือนเดิมนะเจ้าคะ<ช>่ะปกติโดยเร็วที่สุดอันนี้ก็จะเกิดความสุขความร่มเย็นในชาติบ้านเมืองนะเจ้าค่ะถูกต้องเลยสาธุเจ้าคะ่ะก็คุยกันมาถึงตรงนี้ก็หมดเวลาพอดีนะเจ้าคะ่ะสําหรั บ, <อ>บการ พ, <อ S 1> พบในรายการธรรมาราปุรุณในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนซึ่งเดชฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังารายการธรรมาราปุรุณ ที่หถึงที่หครึ่งจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นก็คงจะได้สาระความรู้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะในเช้าวันพรุ่งนี้ก็คงจะได้กราบพบกับพระอาจารย์ไปบุญอภิปุโ น, โนซึ่งท่านจะเมตตา ม, มาเป็นองค์ปารกหรือว่าเป็นวิทยากรประจํารายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะแต่สําหรับเสาร์อาทิตย์หน้าก็คงจะได้มาสากาักการะหรือว่าสนทนาธรรมากันเหมือนเคยคะ่ะสําหรับในเช้าวันนี้เรามากราบน้มัสมั่นขอพระคุณแล้วก็ กราบน้มสักการลาพระอาจารย์ใบบุญอภิปุโนโ ล, ลูกศิษย์เอกของปริยเดชพะกูลหลวงพ่อดอรสะอาดทิโทภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพร้อมกันนะคะท่านผู้ฟังคะกราบน้มสักการและกราบขอพระคุณเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขะเฟานสาธุเจ้าข